แล้วชีวิตก็เริ่มจะดำเนินกันไปตามปกติแต่พอถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2428ตุลาคมซะด้วยเรือกคอนฝ่ายกริกรำหนึ่งชื่อแอสลีอีเดนหรือแอตเลอีเดนก็ตามไได้เข้าจอดเทียบยังหาดทรายริมน้าหน้ากรูมเดลี เรือรำนั้นรัฐบาลังกฤษเช่าเหมาทั้งรําสําหรับนําหนังสือจากเรขานุ ก, กานของข้าหลวงใหญ่กรีฑเมืองย่างกุ้งมาถึงเสนาบดีต่างประเทศแห่งกรุงรัตนบุรีอังวะคนขนาดเรขานุ ก, กานข้าหลวงใหญ่ลงนามในหนังสือถึงเสนาบดีต่างประเทศกรุงอังวะก็แสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าอังกฤษ เห็นว่ากรุงอังวะนั้นแค่ไหนและคิดจะทำกับกรุงอังวะอย่างไรต่อไปหนังสือฉบับมันมีเนื้อความยืดยาวมากแต่ก็เป็นคำขาดของอังกฤษโดยไม่ต้องสงสัยข้อความในตอนท้ายว่าข้าพเจ้าได้รับคำสั่งขอให้ท่านตอบ อย่างชัดแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่านทรงรับข้อเสนอต่างๆต่อไปนี้โดยปราศจากเงื่อนไข 1. ทางกรุงมันดาเลจะต้องรับทูตจากอุปราชอินเดียตามควรและข้อขัดแย้งต่างๆระหว่างรัฐบาลของท่านและรัฐบาลบอมเบย์พม่าจะต้องระหว่างรัฐบาลของท่านและบริษัทบริษั ท, บ, ษทบอมเบย์พม่า ของอังกฤษจะต้องตกลงกัได้ความยินยอมของทูตผู้นั้นนี่เพียงข้อหนึ่งฟังดูต้องต้องรับทูดผู้นั้นและก็รับการตกลงกันด้วยความยินยอมของทูตผู้นั้นนี่เงื่อนไขข้อที่หนึ่งสองการกระทําใดๆต่อบริษัทบอมเบพม้พม่าจะต้องระ ง, งับไว้ก่อน จนกว่าทูดจากอุปราชจะมาถึงกรุงมดเล่สในการข้างหน้าตัวแทนของอุปราชจะต้องมีประจำอยู่ที่กรุงมดเลและรัฐบาลของท่านจะต้องรับผิดชอบรับรองติดต่อกับตัวแทนอุปราชนั้นอย่างสมเกียรติยศรัฐบาลกรีจะจัดให้ตัวแทนนั้น มีฐานกองเกียติยศหนึ่งกองและมีเรือกลไฟหนึ่งลำข้าพเจ้าได้รับคาสั่งให้แจ้งต่อท่านว่ารัฐบาลอินเดียไม่สามารถที่จะยอมรับข้อเสนอหรือการต่อรองอย่างใดาจากท่านและจะไม่รับคณะทูตที่ท่านจะส่งไปยังเมืองย่างกุ้งหรือเมืองสิมราในอินเดียเพื่อเจรจาต่อรองในเรื่องนี้ และจะไม่ยอมเจรจาแก้ไขข้อเสนอของอุปราชอินเดียที่ได้แจ้งไว้แล้วในตอนต้นนี้ด้วยวิธีใดๆทั้งสิน้นในตอนต้นแห่งหนังสือนั้นอุปราชอินเดียได้เสนอไว้ว่าทูตหรือตัวแทนจากอุปราชนั้นจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงอังวะในทุกโอกาสและจะต้องไม่ถูกบังคับ ให้ปฏิบัติตามจารีประเพณีอันเสื่อมเกียจใ ด, ดๆที่ไม่ตรงหรือขัดกับประเพณีการทูตของชาติตะวันตกทางนี้ก็หมายความว่าต่อไปนี้ทูตอังกฤษจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าสีปอได้โดยไม่ต้องถอดรองเท้าและจะยืนเฝ้าได้โดยไม่ต้องมอฟหรือนั่งกับพื้นที่สำคัญก็คือมีข้อเสนออีกข้อหนึ่งว่า รัฐบาลอังกฤษมีความจำงงว่าต่อจากนี้ไปรัฐบาลกรุงอังวะจะต้องดำเนินการติดต่อกับประเทศต่างๆภายนอกตามแต่อุปราชเมืองอินเดียจะเห็นสมควรเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าอังกฤษจะเข้ามาบังคับการต่างประเทศของพมา่ามิให้พมา่าคบค้ากับฝรั่งเศสหรือกับชาติอื่นใด ที่อังกฤษเห็นว่าใหม่สมควรดูตามข้อความและเงื่อนไขต่างๆในหนังสือนี้ก็แลเห็นได้ชัดว่าอังกฤษแลเห็นว่าพมา่าเป็นเมืองที่บังคับได้เสียแล้วแต่พระเจ้าสีปอแลคุณนานมพม่ายังเห็นว่ากรุงรัตนบูรังวะนั้นยังเป็นมหาราชอาณาจักรที่มีอำนารัชศักดิ์พร้อมมูล ใครจะมาเหยียบย่ำไม่ได้เมื่อเสนาบดีได้กราบบังคมทูลในสงสาบถึงข้อความในหนังสือของกริชแล้วพระเจ้าสีปอกก็เสด็จออกคุนนางเพื่อปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะในวันนั้นพระนางสุปยรัตและพระนางอเลนันดอราชชนนี ก็เสด็จออกทองพระโรงด้วยแตงดามินกี้และเจ้ากรมเรือหลวงพร้อมด้วยคุณนางส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรยอมรับข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆของอังกฤษหากอังกฤษจะทำสงครามคุณนางทั้งพวง ก, ก็จะขออาสาทำราชการสนองพระเดชพระคุณเอาชายชนะแก่อังกฤษให้จงได้นอกจากจะรักษากรุงอังวะไว้ให้ได้แล้ว คุนนางเหล่านั้นยังขออาสายกทัพเข้าไปตีเอาพมา่าใต้คืนกลับมาจากอังกฤษให้ได้อีกด้วยแต่กินหุ่นกินหุ่นนะกินวุ่นมินกี้เป็นคุนนางผู้ใหญ่แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่กล้บบาบังคมบทูลให้ยอมรับคือให้ยอมแพ้นะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้รบ จะว่าโดยประการใดอย่างไรก็ตามเธอกินวุลมินกี้เนี่ยให้ยอมรับเงินขายต่างๆที่อังกฤษบังคับมาเสีแต่โดยดีการที่จะทำสงครามกับอังกฤษนั้นเห็นเหลือกำลังนักเห็นไม่มีทางที่จะชนะศัตรูได้เขินสู้ไปก็จะเป็นอันตรายต่อสเวตฉัดกรุงอังวะและกรุงรัตนบรอังวะนั้นเอง อาจจะถึงการพินาศสูญสิ้นขณะที่กินวุ่นมินกี้กราบบังคมทูลอยู่นั้นคุณนางผู้หนึ่งหัวเราะเยาะขึ้นด้วยเสียงอันดังกินวุ่นมิงกี้ก็นึกแปลกใจก็นิ่งอยู่ไม่ได้กราบบังคมทูลต่อไปในทันใดนั้นพระนางสุปยรัตน์ก็ตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันเครียวกราดว่ากินวุ่นมินกี้นั้น เท่าชาราจนสิ้นปัญญาเสื่อมจนสติปัญญาเสื่อมสิ้นลงเสียแล้วหูตาก็มืดมัวแลเห็นหนูเป็นราชส์ีเห็นแมลงวันเป็นพระยาครุฑจะเรียงไว้เป็นอัครมหาเสนาบดีต่อไป mm hmm. ก็เห็นจะเสียราชการ mm hmm. เมื่อกินวุลมิงกี้เป็นคนขี้ขาดตาขาวเกรงกลัวฝรั่งชาติอังกฤษถึงเพียงนี้คอยกินวุลมิงกี้ กลับไปอยู่อย่างบ้านช่องของตนและหาพราหนุ่งสตรีมานุ่งเสเถอะอย่าอยู่ในตำแหน่งไปให้เสียราชการและไปที่รําคาญตารําคาญใจแก่คนอื่นเลยพอพระนางสุพยรัตต์ตรัดจบลงพระนางอเล น, นันโดหรือสิงพยุมจินหรือพระนางพระยาช้างเผือกหรือหญิงหนึ่งในพมา่า ที่ต้องการจะกำอำนาจในพม่าไว้ในกำมือนางก็ตรัสขึ้นว่ากินวุ่นมิงกี้นั้นหวาดเกรงอังกฤษมานานนักหนาแล้วเพราะอัครมหาเสนาบดีกรุงอังวะไม่ได้องค์อาจอังกฤษจึงได้ใจทําการกําเริบเสริฟฝันเึงเพียงนี้พระนางเองเป็นสตรีมีพระชนมายุอยู่ในปูนเดียวกับกินวุลมิงกี้ แต่ถ้ากรุงอังวะนี้ขาดขุนนางที่จะรักษาเกียรติยศแห่งเจ้าของตนที่ได้ชุบเลี้ยงมาและขาดทหารมีฝีมือที่จะทำราชการสงครามได้พระนางเองนี่แหละจะขออาสาไม่ให้น้อยหน้าแกบรูดเพชรสองหญิงแห่งเมืองพมา่ารุกขึ้นกล่าวดังนี้แต่กินวุลมินกี ก็ไม่ได้เกรงพระราชอาญาพอพระนางอเลนันดอร์ตรัสจบลงกินวุ่นหมินกี้ก็กราบบังคมทูลต่อไปให้ทรงยอมรับข้อเสนอของกฤษเพื่อรักษาไว้ซึ่งราชวงศ์และราชบัลลังก์ถึงการต่อไปจะหนักหนาอย่างไรก็อพอที่จะคิดแก้ไขพอหนักให้เป็นเบาลงได้หาด ไม่ทรงรับข้อเสนอก็อจะต้องเข้าสงครามต้องทำสงครามกับอังกฤษเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วการก็จะเกินแก่หากพระเจ้าสีป่อจะทรงฟังและทรงปฏิบัติตามที่กินูมินกี้กราบบังคมทูลในวันนั้นแล้วในระยะต่อมาพมา่าก็ อ, อาจจะตกอยู่ใต้อำนาจของอังกฤษจริง แต่ถึงวันนี้เ ม, มื่อพม่าเดกราค ก, กลับคืนมาแล้วพระมหากรสัตในราชวงศ์อลองพระยาอาจจะยังประทับอยู่บนราชบัลลังก์แห่งประเทศพมา่าก็ได้ใครจะไปรู้แต่เมื่อพระนางสุพยรัตน ได้กลับไปแล้วว่ากินวุนมินกี้เป็นคนขลาดควรที่เจ้าพะผนุงสตรีมานุ่พระเจ้าสีปอกก็ไม่ได้ทรงฟังกินวุนมินกี้อีกต่อไปก็หันมาทรงฟังแต่แตงดามินกี้เจ้ากรมเรือหลวงและคุณนางทั้งพวงที่ขออาสารบกับอังกฤษแต่ฝ่ายเดียวพระเจ้าสีปอกจึงสั่งให้เสนาบดีร่างสุภาพอน ตอบหนังสือกองกฤษไม่ยอมรับข้อเสนอหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นสุภาศร์เสนาบดีนั้นมีความว่าเสนาบดีกรุงรัตนบรางวะได้ประชุมพิจารณาหนังสือสิ่กฤษส่งมานั้นโดยลเียทุนแล้วเห็นพ้องต้องกันให้ตอบเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ 1. คําคำพิาพากษาคดีห้างบอมเบพม่านั้น สารลหลูกุณหลุดดอไม่ได้พิภาคษาไปตามใจแต่ได้ตัวหลักฐานชําระพยานทั้งปวงแล้วโดยรอบคอบถี่ท่วนเมื่อเห็นว่าจำเลยคือห้างบอมเบยพม่าเป็นห้างของอังกฤษก็ได้นำบัญชีไม้ของห้างนั้นมาตรวจสอบด้วย เมื่อได้ความตรงกันแล้วจึงได้พิภาคษาคดีไปตามบทพระยาการหาได้อาธรรมฉันทาเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ 2. เงินจำนวนค่าปรับตามคำพิภาคษานั้นเสนาบดีได้นำความขึ้นกราบบังคมทุนแล้วทรงพระมหากรุณาต่อห้างบอมเบพมา่าเห็นว่าจะต้องเสียเงินมากอาจจะทำให้ทำงานติดขัดล่าช้า เนื่องด้วยห้างบอมเบ้พม่าได้เคยทําป่าไม้เมืองตองอูมาโดยเรียบร้อยและได้ทุนกล้าวถวายเงินค่าปากหลวงและภาษกีก่อมาแล้วถูกต้องครบถ้วนจึงมีพระเจดกรรัสสั่งว่าหากห้างบอมเบ้พม่าจะทุนกล้าวถวายดีกาขึ้นมาในเรื่องนี้ก็จะทรงพระกรุณาลดย่อนค่าปรับให้ตามควรมิให้เป็นที่ดือดร้อนส การที่อังกฤษขอตั้งฑูตหรือตัวแทนมาประจำอยู่ที่กรุงมัณะเลนั้นแต่ก่อนอังกฤษก็เคยมีตัวแทนมาประจำอยู่แล้วทางฝ่ายกรุงอังวะก็ต้อนรับเรี้ยงดูโดยดีตามตามพระจริญไมตรีไม่ได้กระทําใดๆให้เป็นที่ดื้อร้อน ร, รําคาญแต่อังกฤษถอนตัวแทนนั้นกลับไปเองหากฝ่าอังกฤษประสงค์จะตั้งตัวแทนขึ้นใหม่ก็จงทําเถิด ทางกรุงอังวะจะรับรองติดต่อด้วยตามราชประเพณีกรุงอังวะเหมือนนางที่ได้เคยทำมาแต่ก่อน 4. ีเรื่องทางพระราชมตรีของกรุงอังวะกับนาน า, นาประเทศนั้นเสนาบดีกรุงอังวะขอแจ้งให้ข้าหลวงอย่างกริชทราบว่าการพระราชมัตรีของพระจานาจักรอันทรงไว้ซึ่งอิสรภาพนั้นย่อมดำเนินไปตามพระราชประเพณี และพระจกระกำหนดกฎหมายหาจำต้องปรึกษาผู้ใดหรือขอความเห็นชอบจากผู้ใดไห่กรุงอังวะก็ได้เจริญทามพระจ้ามิตรีไว้กับนานาประเทศเช่นฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประเทศต่างๆเหล่านี้เห็นชอบด้วยกับราชประเพณีกรุงอังวะหามมีผู้ใดขัดขืนหรือเข้ามาสั่งการอย่างใดไม่ หากทางอังกฤษประสงค์จะเจริญทางพระจมิญตรีกับกรุงอังวะแล้วขอให้อังกฤษปฏิบัติตามยิ่งอย่างประเทศอื่นๆที่ออกนามมาแล้วนี้เถิดอย่าได้ร้อนใจดิ้นรนไปเลยนี่หนังสือตอบเปน็นหนังสือเสนาบดีนะเมื่อเดดทรงสุภาษณ์สอเสนาบดีกลับไปเมืองย่างกุ้งกับเรือ H. Lee Eden แล้ว พระเจ้าสีปอกก็โปรดให้มีพระบรมราชองค์การขึ้นฉบับหนึง่งและตีครองร้องเป่าประกาศไปทั่วราชนาจักรประกาศพระบรมราชองค์การในพมา่าะจะต้องส่งคนออกเที่ยวเดินตีคองแล้วก็อ่านประกาศเปิงเปิงไปตามที่ต่างๆนั่นแหละจึงใช้สมุนนี้พระบรมราชองค์การนั้นมีข้อความว่า มีพระบรมราชองการเหนือเกล้าไม่ยังเจ้าเมืองกรมการจังหวัดกำมันผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงตลอดจนนายกองมา้าผู้พิพาทสาตราการพัสดีเรือนจำเจ้าภาษีนายอากรเจ้าพนักงานเมืองแรกและปา่าไม้และบรรดาขา้าทูลอองทุดีพระบาทอาาประชาราชบรรดาที่อยู่ในพระราชนาจพมา่า ด้วยฝรั่งนอกศาสนาชาติอังกฤษมีใจกำเริบบางอาจกราว บ, บางโคลนให้ทรงกระทาการหลายอย่างต่างประการด้วยความประสงค์ที่จะทำลายพระบวรพทธศาสนาและเมื่อพระเจ้ประเพณีทั้งปวงและดูมิ่นพระบรมเดชานุภาพและยังได้กระทาการอุกอาจระเรียมการประดุดว่า จะมาทำสงครามกับกรุงรัตนบุระอังวั์บัดนี้ได้โปรดกล้าให้เสนาบดีมีสุภสักษรตอบไปแล้วตามธรรมเนียมพระมหากรทั้งหลายในโลกด้วยถ้อยคำอันเที่ยงตรงถ้าหากฝรั่งนอกศาสนามิเชื่อฟังบังอาจดื้อดึงด้วยโมหะจริตและยกทัพมารุกรามพระชจนาเขตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงรักษาพระบรมพุทธศาสนาและพระราชศีมาอาณาจักรนี้ก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินญาตราทับหลวงพร้อมด้วยเสนามากราชบริพารแม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งพวงเป็นหมวดหมู่จะตุรงกษณเสนาอันมีกองฐานราบฐานมาฐานปืนใหญ่และทหารช้างออกไปสู้รบกับอรียรราชสัตรูทั้งทางบกและทางเรือ และจะทรงทำลายฝรั่งนอกศาสนาให้พินาศด้วยกำลังแสนยานุภาพทั้งจะได้เข้ายึดเอาเขตแคว้นของฝรั่งกลับคืนมาขอให้บรรดาข้าทุรองทุรีพระบาทและอนณาประชาราชทั้งปวงจงตั้งอยู่ในความสงบอย่าตื่นเต้นตระหนกตกใจในการสงครามกับฝรัง่งและ อย่าพากันหนีทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องเป็นอันขาดแต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการและประกอบการงานต่างๆไปตามเคยจากอา่สุภาพษรเสนาบดีที่ต่อไปยังอังกฤษมีความตอบไปอีกดังนี้ ให้ราชการหัวเมืองทั้งปวงจงระมัดระวังคอยกวดขันมิให้โจรผู้ร้ายในท้องที่ของตนในราชการสุครามครั้งนี้ได้โปรดกล้าวสัง่งมิให้กะเกณฑทหารหัวเมืองดังที่เคยมาแต่จะได้ใช้ทหารประจำพระนคร อ, ออกไปรบพุ่งทำลายและยึดเอาบ้านเมืองของข้าศึกบรรดาราชการหัวเมืองจงอย่าได้กะเกณฑ์รัศฎรผู้ใด ที่ไม่ได้สมัครใจเอาตัวมาเป็นทหารเป็นอันขาดไม่ไม่เกณฑ์ทหารหัวเมืองอันการรักษาพระบวรพุทธศาสนารักษาเกยียรติยศของบ้านเมืองและรักษาประโยชน์ของบ้านเมืองนั้นย่อมเกิดประโยชน์สามประการคือประโยชน์แก่พระาศาสนาประโยชน์แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประโยชน์แก่ตนเอง อันเป็นปัจจัยมรรคที่จะนําบุคคลไปสู่สุคติมีสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นและพระนิพพานเป็นที่สุดผู้ใดมีน้ําใจกล้าหาญอาสาออกทําการสงครามสนองพระเดชพระคุณด้วยความสามารถก็จะได้รับพระเจาทานบำเหน็จ ร, รังวัลและจะโปรดกล้าวให้รับราชการตามความสามารถให้ข้าทูลลองทูลีประมาททั้งปวงคอยสอดส่องหาคนดีที่จะ อาสาสมัครเข้ารับราชการเมื่อได้ตัวแล้วให้ส่งรายชื่อยังกรมการจังหวัดต่างๆเพื่อ น, นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นครั้งคราวไปเอานี่เป็นสุภาพษรเกราบกราบขออภัยครับเรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นประกาศเป็นประกาศที่ให้ไปตีค อ, องร้องเปล่าประกาศให้ รู้ทั่วกันในเมืองพมา่อาออนะัที่กรุงมันดาเลในขณะนั้นก็มีการฝึกทหารไว้เตรียมรับสงครามอย่างเข้มแข็งการฝึกทหารก็คงใช้แบบเดียวกับที่เคยใช้กันมาในสมัยสมัยพระเจ้าฝรั่งมังคองรบกับพระเจ้าราชาธิราช ให้ฝึกแบบนั้นกล่าวคือฝึกให้ทหารราเพลงอาวุธท่าทางต่างๆให้เข้ากับเสียงปี๋เสียงกรองตามจังหวะทหารเหล่านั้นออกไปฝึกเพลงอาวุธกันอยู่ที่ฌานพระนครนอกกรุงมันฑดเลและคนในกรุงมันเดเลก็พากันออกไปดูแน่นแน่นทุกวันคนที่มีกีตุร์มากในยามนั้นก็ได้เห็น เห็นจะได้แก่ช่างสักช่างสักนะเพราะต้องสักเครื่องหมายกรมกองล ง, ลงบนข้อมือของทหารใหม่ทุกคนนี่เขาสักลงไปเลยนอกจากนั้นก็ต้องสักยันให้แก่ทหารเพื่อคุ้มครองป้องกันตัวและคมอาวุธอีกด้วยแต่ทั้งที่เด่นมีประกาศพระบรมราชโองการไปแล้ว ว่าจะไม่เกณฑ์ราษฎรมาเป็นทหารแต่พอเอาจริงเขา้าก็มีการเกณฑ์ราษฎรจานวนมากจากคุเมือต่างๆส่งเข้ามายังกรุงมันดาลีครอบครัวราษฎรทุกครอบครัวต้องส่งทหารให้ทางราชการสองคนพร้อมด้วยอาวุธและสเสบียงติดตัวนินิฟังให้ดีครอบครัวหนึ่ง ต้องส่งไปสองคนต้องหาอาวุธไปเองหาข้าวปลาอาหารไปกินเองด้วย<ฮ>นอกจากนั้นยังต้องนําเงินส่งให้แก่ทางราชการเป็นบีเลี้ยงฐานสองคนนั้นสําหรับเวลาต่อไปอีกด้วยนี่ทั้งนี้นี่ก็เป็นธรรมเนียมโบราณแต่ก่อนนู่นเป็นอย่างนี้เขาก็ทําอยู่อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะท่าน อาท่านที่อยู่ในสมัยปัจจุบันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันอัศจรรย์มากแต่ก่อนนั้นเขาเป็นอย่างนี้เพราะกองทัพโบราณไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยกองทัพพมา่าหรือกองทัพฝรั่งก็เป็นกองทัพที่ต้องเลี้ยงตัวเองคือทหารแต่ละคนต้องหากินกันเอาเองทั้งนั้นต้องหาไปกินเองหลักการเช่นนี้ อาจจะไม่โบราณนักก็ได้หากใครจะลองเหลียวๆดูให้รอบๆตัวเองที่อู่เรือหลวงมันเลในขณะนั้นก็มีราชการมา เรือหลวงพม่าในสมัยนั้นมีเรือกลไฟเล็กๆอยู่สองสำรำติดปืนใหญ่ที่เรียกว่าปืนใหญ่ก็เป็นปืนใหญ่ขนาดย่อมเรือส่วนใหญ่นั้นเป็นเรือรบประเภทเรือยาวมีฝีพายติดอาวุธและก็ใช้ฝีพายนั่นเองแหละเป็นพลรบด้วยเรือกลไฟหลวงนั้นออกจากเก่าแก่และชำรุดอยู่ทุกรา ใช้ทำการรบจริงจังก็ไม่ได้เพราะแต่แรกก็ซื้อมาเล่นไม่ได้ซื้อมารบส่วนเรือพายทั้งปวงนั้นก็มีการซ่อมเข้าไว้เพื่องานแห่พระเจ้าสีปอสเสด็จเลียบพระนครทางจุลมาตร ก, ก็ยังใช้การได้ดีอยู่แต่ก็ดีสำหรับแห่ มิใช่ดีสำหรับที่จะไปรบกับอังกฤษพระเจ้าสีปอโปรให้ในช่าเทอรี่ชื่อโมลินารีเป็นแม่กองซ่อมเรือรบทั้งปวงนายโมลินารีก็ได้แต่ซ่อมไปตามเพลงแล้วก็กราบบังคมทูลรายงานว่าเรือรบทั้งปวงนั้นพร้อมที่จะใช้ราชการได้แล้วก็กราบทูลไปตามทํามองแต่นายโมลินารีคนนี้ก็เป็นฝรั่ง ก็ย่อมจะรู้ดีถึงวิธีการรบของฝรัง่งและเครื่องมือที่ใช้ในการรบของฝรัง่งขณะที่นายมอรินายรกลา บ, บังคมทูลว่าเรือรบใช้การได้นั้นนายมอรินายนาริกก็คงคงจะต้องภาวนาอยู่ในใจด้วยว่าขอจะให้มีโอกาสที่ต้องใช้เรือรบเหล่านี้เลยกรุงมันดาเลในระยะนั้นก็คลึกครื้นบริษัทหารทั้งปวงร้านรวงก็หนานแน่น เพราะมีทหารเข้ามาประจําการอยู่ในกรุงเป็นจนํานวนมากถนนหนทางก็คราคร่ําไปด้วยผูกคนและทหารต่างหมู่ต่างราวมากมายเดินเกร็งเกรไปมาตามถนนหนทางวอดอิทริตทธวอดเจรสู้สึกจนตัวตายไม่ใข้าศึกร่วงล้ําเข้ามาได้เรียกว่ากําลังใจเข้มแข็งบางก็คุยว่าจะห้าหันข่าราวฝรัง่งศัตรูให้สาแก่ใจ และก็ตามธรรเนียมเลยทีเดียวบ้างก็เมาไมา้แปรเที่ยวเกะกะระรานกันเองและระรานชาวบ้านผลพลอยได้ต่อไปก็คือผู้หญิงกรุงมันดเรนในระยะนั้นก็ท้องโตขึ้นมาโดยหาสามีมิได้ว่ากันว่ามีมากนะัก เรฟัง เ, เรื่องราวข้างฝ่ายทางเมืองพม่าเขาชัดแจ้งพอสมควรทีเดียวทีนี้หันไปฟังทางฝ่ายอังกฤษเขาบ้างนะครับฝ่ายอังกฤษเมื่อได้รับสุภาอักษรเซนาบริพรม่าเรียกว่าปฏิเสธทุกประการอังกฤษก็สั่งให้เตรียมการสงครามทันทีทหารฝรั่ง และฐานอินเดียฐานแขกอินเดียนี่อยู่ใต้บังคับอังกฤษอังกฤษก็ใช้อินเดียขใช้แขกพวกนี้เป็นทหารก็ทั้งฐานฝรัง่งฐานอินเดียที่มาประจำอยู่ที่เมืองย่างกุ้งนั้นเมื่อมาอยู่เฉยๆนานเข้าก็ชักเบื่อน า, นายก็อยากจะทำสงครามหยืดเส้นหยุดสายกันทุกคนเมื่อได้ข่าวว่าจะได้รบกับพมา่าก็พากันดีใจนะ ต่างคนต่างก็เตรียมตัวจะออกรบฐานอังกฤษก็พากันยกแก้วเบียร์ขึ้นดืม่มถวายพระพรคิงสีปอและควีนอ่าซุปเพรดสุภพรัตซุปเรดอันเป็นสำเน็จฝรัรัที่เรียกพระนามของพระนางสุภยรัตอ่าซึ่งถ้าจะแปลเป็นไทยนีน่ก็ควรจะแปลว่าพระนางชามแกง ทั้งนี้เพระาะทหารทุกคนรู้ว่าถ้าหากพระเจ้าสีปอและพระนางสุปรจรัสมีเด็กสวยราชอยู่นักรุงอังวะในขณะนั้นบางทีพวกตนและพวกพ้องก็จะไม่มีโอกาสได้ทำสงครามกับพมา่าสมความปรารถนา เมื่อได้ยื่นคำขาดขึ้นไปยังกรุงมาดาเล่แล้วก็ส่งทหารไปตั้งเตรียมพร้อมอยู่ที่เมืองเสียดเหมี่ยวซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอิราวดีตรงแดนต่อแดนระหว่างพม่าใต้กับพม่าเหนือนี่เขาแบ่งเป็นเหนือเป็นใต้กันมาแต่ก่อนนู้นก็แบ่งกันมากองทัพอังกฤษนั้นมีพลตรีเพนเดกัตเมเยอร์เจเนอร์เพนเดกต วีซีซบีเป็นแม่ทัพท่านผู้นี้เคยผ่านการรบมาในอินเดียเมือเ่อชาวอินเดียลุกขึ้นต่อสู้กับอังกฤษและเป็นนายฐานในกองทัพอังกฤษที่เมืองมัททรัสนอกจากนั้นยังมีพันโทสเลเดนผู้ซึ่งเคยอยู่ที่กรุงมันดาเลแต่ในรัชกาลพระเจ้ามินดูพระบิดาพระเจ้าสีปอ ติดไปในกองทัพด้วยในฐานะล่ามและเป็นผู้รู้เรื่องเมืองพม่าดีพันโทเซเลเดนกองทัพอังกฤษนั้นพร้อมอยู่แล้วที่จะยกขึ้นไปกรุงมันดาเลในทันทีที่พระเจ้าสีปอบปฏิเสธไม่ทรงปฏิบัติตามคำขาดของอังกฤษซึ่งกดดูที่ว่าจะรู้อยู่แล้วเพราะคำขาดขึ้นจหนังสือ บังคับให้เขายอมแพ้ให้เขายอมทุกอย่างแล้วก็ยอมแม่อยู่ว่าเขาก็คงไม่อาจจะยอมเพราะมันการเป็นการแพ้โดยไม่ต้องสู้รบก็คิดว่าจะต้องรบก็จึงเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจทำการใดๆก็คิดว่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ยอมก็จะต้องทำอย่างนี้นี่พร้อมอยู่แล้วกองทัพพร้อม ทหารในกองทัพนั้นมีฐานรบสามกองพลในกองทัพต่างๆนั้นก็มีฐานอังกฤษและฐานอินเดียคละกันไปมีปืนใหญ่ภูเขาจำนวนหนึ่งและมีปืนใหญ่ติดเรือซึ่งเป็นปืนขนาดใหญ่ที่เป็นปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนใหญ่ขนาดย่อมเป็นปืนใหญ่ขนาดใหญ่อยู่หลายกระบอก นอกจากนั้นยังมีฐานเรืออีกหน่วยหนึ่งสำหรับเดินเรือกลนไฟที่จะต้องแล่นทวนแม่น้ำมีระวดีขึ้นไปในกองทัพนั้นมีกองฐานอาสาสมัครอยู่กองหนึ่งตั้งขึ้นที่เมืองย่างกุ้งมีฐานอาสาสมัครเป็นชาวอังกฤษที่ออกมาทำมาหากินที่เมืองนั่นแหละเ อ, อผู้เขียนอายจนไม่อยากเขียนชาวพม่า ที่อาสาสมัครขึ้นไปรบกับเมืองของตัวเองเพื่อเจ้าเมืองของตัวเองมาให้แก่ฝรัง่งผู้เขียนอายเหลือเกินไม่อยากจะเขียนแต่ก็ต้องเขียนเพราะความจริงนั้นก็เป็นอยู่เช่นนี้บุคคลประเภทนี้ก็ดูจะมีอยู่ทุกขนแห่งที่ประจักษ์แจ้งชัดก็ที่ พมา่าชาวพม่าอาสาอังกฤษขึ้นไปรบพมา่าเป็นจำนวนไม่น้อยนี่สาหัสอยู่ขณะที่จะาพาพาณะที่จะใช้บรรทุกฐานขึ้นไปนั้นมีเรือกลไฟและแพรขนานใช้เรือไฟรากจูงจำนวนมากบนแพรขนานนั้นก็ทำเป็นห้องหับ ให้ฐานอาศัยนอนพอักพรได้ระหว่างเดินทางจากเดือนตุลาคมสามสิบตุลาคมพุทธศักราชสอง8สยดจนถึงเมื่อวันที่สิบสี่พฤษจิกายนพุทธศักราชสอง8ย คือส4วันต่อมาหลังจากที่ข้าหลวงอย่างกฤตได้รับสุภาพสนเสนาบดีกรุงอวะแล้วเหตุการณ์แรกในการรบก็เกิดขึ้นกองทัพมังกฤษได้ข่าวว่าเรือกลไฟพมา่ามาแล่นขึ้นรองอยู่แถวแดนต่อแดนก็ส่งเรือรบหลว ง, งกฤตชื่ออิราวดีและเรือกนไฟบรรทุกทหารอีกราหนึ่งขึ้นไปดู พอไปถึงก็เห็นว่าเรือกลนไฟพม่านั้นจูงแพรขนาดมาแพรหนึ่งในแพรนั้นใช้ไม้ซุงเสียมปลายให้แหลมปักไว้เต็มบนเรือไฟที่จูงแพรขนาดนั้นมีนายช่างอิตาลีชื่อโคมอตโตอยู่ด้วยนายช่างอิตาลีกำลังจะปิดแม่น้ำวิรวดีด้วยวิธีเอาแพรซึ่งมีซุง ปลายแหลมปักไวในนั้นจมไว้ในแม่น้ำแล้วทิ้งไวให้เป็นขวากน้นาแม่น้ำหากเรือรบอังกฤษเร่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็จะถูกขวากใต้น้ำขวากนี่ทำด้วยุงทั้งต้นนะักตำเอาแทงเอาท้องเรือทะลุถึงล่มถึงจมเป็นแน่นอน แต่ในโคโมอตโตก็ไม่ได้รู้ว่าอังกฤษส่งฐานมารออยู่ที่ชายแดนแล้วจึงนึกว่าตนเนี่ยมีเวลามากตนมาก่อนทําก่อนก็เที่ยวแล่นเรือวนเวียนในแม่น้ำจะหาที่จมแพเหล่านั้นคือจมอขวากเหล่านั้นให้เหมาะที่สุดอะพอเรือรบอังกฤษโผล่มาถึงโดยไม่รู้ตัว ในโมคอตโตก็คอตโตแหละก็ตกใจเป็นเหมือนกันและยิงเรือรบอังกฤษยิงปืนขู่ข้ามาสองสัมนัดเท่านั้นแหละในในมอตโตนี่และคนบนเรือบนเรือฝนะ่ายพม่าก็เพ่นลงน้าตูมตามตูมตามว่ายขึ้นตะริงรบหนีไปก็เรือรบพรมา่าและแพอันจะเป็นขวากใต้น้ำนะก็ถูก ส่งลงมายังเมืองเสียดเหมี่ยวซึ่งเป็นฐานทัพชั่วคราวของอังกฤษแต่เรือไฟพม่านั้นก็ยังชักธงนกยุงของพม่าอยู่มิได้มีใครชักลงคือ น, นี้เอาแต่ตัวรอดกันไปธงยังชักร้าอยู่เชนนั้นก็อยู่เช่นนั้นอันนี้ก็ทำเอาทหารอังกฤษที่ฐานทัพตื่นเต้นเรียมสู้กันเป็นการใหญ่ เพราะนึกว่าพมา่าจะเข้าโจมตีฐานทัพก่อนแต่อังกฤษที่อยู่ในเรือพมา่าอธิถูกจับได้รู้ตัวทันก็รีบไปชักธงพมา่านั้นลงแล้วก็ชักธงอังกฤษขึ้นมิฉนั้นก็คงจะถูกทหารบนฝั่งเอาปืนใหญ่ยิงเอาจมไปเหมือนกันว่าถึงนายโคโมโ ต, โตนั้นหนีไปแต่ตัว ทิ้งแผนผังการป้องกันแม่น้ำอิโรวดีไว้ทุกอย่างตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งทหารของพระเจ้าสีปอและจำนวนทหารตามที่ตั้งแต่ละแหง่งแต่ละแหง่งเอกสารเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่ออังกฤษมากทีเดียวในพลตรีเพนดรกาศ ได้รับคำสั่งให้ยกทัพขึ้นไปยึดเอาเมืองมัณดเลโดยให้เสียเลือดเนื้อและชีวิตทหารน้อยที่สุดถ้าหากว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นให้ได้ก็จะต้องรีบขึ้นไปให้ถึงกรุงมัณดเลโดยเร็วก่อนที่พม่าจะตั้งรับได้ทันแต่ในผลเพนเดกาดและนายทหารตลอดจนไพร่พลในกองทัพคงจะมิได้นึกหรือคาดฝันในตอนนั้น ว่าจะยกขึ้นไปยึดเอากรุมันดเรได้เร็วขนาดขนาดที่ทำได้ในเวลาต่อมาความดำาเ น, นต่อไปดังนี้กองทัพอังกฤษนั้นต้องยกขึ้นไปทางเรื อ, อคือไปทางแม่น้ำอิรวดีแต่ทางเดียว ขึ้นไปได้ทางเดียวประก่อนที่จะถึงกรุงมันดาเลก็จะต้องผ่านเมืองมินหลาซึ่งเป็นเมืองด่านและเป็นหัวเมืองใหญ่มีเจ้าเมืองปกครองมีค่ายคูประตูหรอรบแข็งแรงเมืองมินหลานั้นตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้าอิราวดีตรงหน้าเมืองบนอีกฝั่งหนึ่งของแม่นาม้าก็มีป้อมป้อมนี่คือป้อมปืนนะ ชื่อป้อมกอยยองขะเมียวก้อยยองขะเมียวท่านผู้ฟังออกเสียงเอาเองก็แล้วน่นกันนะครับใ ห, ให้เหมือนให้เหมือนพมา่าหน่อยอตั้งอยู่บนเนินทั้งตัวเมืองและป้อมนั้นอยู่ในชัยภูมิที่จะกีดขวางไม่ให้ข้าศึกผ่านแม่ น, น้ำาอรวดีขึ้นไปได้คือเป็นการกระทำให้ยากในการที่จะผ่านขึ้นไปอ่ะ แม่ทัพอังกฤษจึงถือว่าเมืองมินหลานี่เป็นจุดยุทธศาสตร์อันสำคัญหากว่าตีเมืองนี้ได้ก็เท่ากับว่าได้กรุงมันดาเลระในวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันสี่ร้อยยี่สิบปดกองทัพอังกฤษก็ยกเข้าไปในเขตของกรุงอังวะโดยทางเรือรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ต้องยิงต่อสู้กับพมา่าที่ตั้งค่ายร้ายขึ้นไปตามรั้แม่น้า แต่เมื่อลูกปืนใหญ่ของอังกฤษยิงเข้าไปในค่ายพมา่าค่ายเรานั้นก็ไม่ได้คิดสู้รบจริงจังพากันแตกหนีไปสิน้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งกองทัพอังกฤษก็ยกขึ้นไปถึงเมืองมินหล่าแม่ทัพอังกฤษก็ให้ยกพลขึ้นบกทั้งสองฝั่งฟากแม่น้ำอิรวดี ใต้เมืองมินลาและใต้ป้อมกอยยองขมิ่วลงมาขณะนั้นฝนตกลงมาหนักแล้วก็หยุดตกก็ทำให้ภูวิประเทศซึ่งเป็นป่ารกสองฝั่งแม่น้ำนั้นเชอแชะแฉะและก็ร้อนอบอ้าวยิ่งนักแต่ทหารราบอังกฤษอันนี้ต้องนึกให้ถูกด้วยหมายถึงทหารแขกด้วยก็บุกป่าใกล้เมืองมินลาและป้อม ก้อยยองขาเมียวเข้าไปโดยไม่ห่อท่อเหมือนกันอังกฤษได้ใช้ปืนเรือระดมยิงไปที่ป้อมทำให้เสียหายมากป้อมก้อยยองขาเมียวก็พยายามยิงปืนใหญ่โตอตอบถ้าถ้าที่ป้อมกองยอยขาเมียวมีปืนอย่างเดียวกับอังกฤษปืนบนป้อมก็อาจจะจมเรือรบและแพขนานของอังกฤษได้มาก ถ้ามีปืนอย่างเดียวกันก็อาจจะทำลายได้มากเพราะว่าป้อ ม, มตั้งอยู่บนที่สูงชายภูมิดีกว่าเห็น้าดศึกได้ถนัดชัดเจนกว่าแต่ที่ปอมกอยยองขเขมี่วนั้นก็มีปืนก็ก็เป็นปืนแบบที่มีไว้ให้ชมหน้ากระรวงกรลาหมของประเทศไทยอะ่ะคือเป็นปืนแบบนั้น คือปืนสมัยที่พมา่ารบกับกรุงศรีอยุธยาแหละอาจจะเป็นปืนใหญ่ที่ขนอาไปจากกรุงศรีอยุธยาเส้ยด้วยซ้ำไปปืนใหญ่พม่าจึงยิงไม่ได้ไกลและไม่ได้ผลอะไรและทำอะไรกับเรือแพของอังกฤษไม่ได้เลยทางฝั่งซ้ายแม่น้ำอิราวดีนั้นเมื่อฐานอังกฤษขึ้นไปถึงป้อม กอยยองคาเมียวก็ปรากฏว่าทหารพม่าที่รักษาป้อมน่ะได้หมีไปแล้วอังกฤษก็เข้ายึดป้อมได้โดยง่ายและทางฝั่งขวาข้างใต้เมืองมินหลาลงไปนั้นพมา่าได้ต่อสู้อย่างแข่งขันคอยดักยิงอังกฤษในป่าทุกระยะกองทัพอังกฤษจึงยกเข้าไปได้ช้าแต่ก็ยกเข้าไปจนถึงชานเมืองจนได้ พวกทหารที่ต่อสู้อยู่ในป่าพากันถอยเข้าเมืองแล้วขึ้นบนเชิงเทินระดมยิงทหารอังกฤษอย่างหนานแน่นแต่ขณะนั้นเกิดไฟไหม้ขึ้นในเมืองเพราะถูกปืนใหญ่อังกฤษระดมยิงไฟนั้นไหม้ลุกรามหนักขึ้นทุกทีดังกล่าวแล้วว่าปืนนี่มันผิดกันปืนอังกฤษที่ยิงเข้าไปในเมืองนั่นเรียกว่าเป็นปืนใหญ่สมัยใหม่ ก็ทำรายได้มากมายเกิดเพลิงรุกไหม้เผาพรานทหารพม่าอยู่บนกำแพงเมืองก็หวาดหวั่นเสียกำลังใจพองอังกฤษยิงกำแพงทลายลงได้ด่านหนึ่งและกรูกันเข้าเมืองทหารพม่าที่หนีไม่ทันก็พากันวางอาวุธยอมจำนนแก่อังกฤษเป็นจำนวนมากกองทัพอังกฤษก็เข้าตั้งอยู่ณที่เมืองมินลา วันหนึ่งเพื่อรวบรวมกําลังและจัดแบ่งทหารไว้รักษาเมืองพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ยกทัพทางเรือต่อไปตามรําแม่น้ําอิรวดีณนะที่เมืองมาก่อยช่างอิตาลีสองคนคือนายโมรินารีและนายโคมโตซึ่งอยู่ในเมืองนั้นก็ออกมามอบตัวแก่อังกฤษนี่เป็นคนอิตาลี และอังกฤษก็ได้เมืองมากอยโดยไม่ต้องมีการต่อสู้การที่ช่างอิตาลีสองคนรีบออกมามอบตัวให้แกทหารอังกฤษนั้นออกจะเป็นการกระทําที่ถูกต้องอย่างยิ่งนายโมลินารีและนายโคมอตโตอยู่กรุงอวะมานานพอที่จะรู้ประเพณีดี ความจริงในช่างออกจิริทั้งสองคนนี้จะหลบหนีเล็ดรอดไปยังกรุงมันดาเลก็คงพอจะทำได้แต่ลองหนีไปอย่างนั้นสิหมายความว่าท่านหนีไปถึงกรุงมันดาเลก็จะต้องโทษฐานหนีทับก็ถูกจับปัดหัวเอาง่ายๆในท่านเอกจิริทั้งสองคนนี้จึงตัดสินใจเข้ามาอังกฤษซดีกว่าซึ่งปลอดภัยกว่า สัตรูสำคัญของกองทัพอังกฤษที่ยกขึ้นไปตีกรุมันดะเรในตอนนั้นปรากฏว่าไม่ใช่กองทัพพม่าไม่ใช่ทหารพม่านะแต่เป็นแม่น้าอิระวดีนั่นเองเพราะเวลานั้นเป็นเทศกาลน้ำเหนือหลากมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกองทัพอังกฤษต้องเดินเรือ และรากจูงแพ่ขนานขึ้นไปได้วยความระมัดระวังจึงเดินทางขึ้นไปได้แต่ช้าๆเมืองใหญ่ที่ต้องผ่านก็นเป็นเมืองหนึ่งก็คือเมืองพักคันอันเป็นเมืองเก่าแก่มีผู้คนมากแต่เจ้าเมืองพักคันก็ไม่ได้สู้รบอังกฤษยึดเมืองได้แล้วก็ยกทัพต่อไปยังเมืองยองคูที่เมืองยองคูนั้น พม่าเอาปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งระดมยิงอังกฤษอยู่บนหน้าผาสูงริมน้ำแต่อังกฤษก็ใช้ปืนใหญ่จัดแพรยิงขึ้นไปบนที่ตั้งปืนใหญ่ของพม่าแหละเอาเพียงครู่เดียวเสียงปืนใหญ่พม่าก้งเงียบดังกล่าวแล้วอาวุธปืนมันโครสมัยกันอังกฤษก็เข้ายึดเอาเมืองยองคู แล้วก็ขึ้นแบาปืนใหญ่พม่าบนหน้าผานั้นโยนทิ้งนามเสียหมดสิ้์เพราะไม่รู้จะขนอาไปทำอะไรทหารพรม่าที่แตกหนีไปจากเมืองพัก ค, คันและเมืองยองคูตลอดจนเมืองอื่นๆที่ยังกฤีตีได้นั้นก็ได้ออกไปตั้งซองสุมกันเป็นโจรในป่าเมื่อเป็นโจรอยู่ในป่าป่าเมืองพม่า ก็จะเที่ยวปล้นใครล่ะก็ปล้นสดมราชสดอนชาพม่านั่นแหละ ก, กอควานดิร้อนอให้กับรัฐบาลอังกฤษที่เข้ามาปกครองพมา่าในภายหลังนี่ต้องต้องแก้ไขปราบปรามกิหลายปีจึงจะสงบวันที่24พฤศจิกายน2428เป็นวันสงบไม่มีการรบพุ่ง เจ้ากรมเรือหลวงเจ้ากรมเรือหลวงซึ่งเป็นแม่ทัพหน้ายกจากกรุงอังวะลงมารบกับอังกฤษได้ส่งโทรเลขไปกราบบังคมทูลพระเจ้าสีปอว่ากองทัพพมา่าได้ตีกองทัพอังกฤษแตกพ่ายยับเยินไปอันนี้จะว่าเจ้ากรมเรือหลวงกราบบังคมทูลเป็นเท็จก็เห็นจะมิใช่ท่านแม่ทัพมน้าของพมา่าท่านถือว่าการที่ปล่อยให้อังกฤษ ยกขึ้นมาโดยสะดวกนะ่ะเป็นกลศึกอันลึกซึ้งล่อรวงศัตรูให้ถลําตัวเข้ามาพอได้ทีกองทัพพม่า ก, ก็จะโอบตีกองทัพอังกฤษทุกสารทิศและจะบทขยี้ประดุดบีบบี้ลูกไก่ในกามือนี่แผนยุทธศาสตร์ท่านว่าไว้อย่างนี้แต่เมื่อโอกาสนั้นยังไม่มาถึงรออยู่รออยู่ ว่างๆก็เลยตีสายโทรเลขขึ้นไปกราบบังคมทูลเจ้านายตนเป็นการประชาสัมพันธ์ไว้ร่วงหน้าโทรเลขฉบับนั้นเป็นหลักฐานอย่างเดียวว่าพม่าชนะอังกฤษในสงครามครั้งนั้น การดนนั้นมีได้มีผู้นายวิตกถึงเรื่องสงครามเลย <c oughs> ก็มีโทเรเลขแจ้งว่าได้ชนะนี่และก็ไม่ได้มีผู้นายคิดว่าจะต้องพ่ายแพ้แก่อังกฤษเพราะการสื่อสารการส่งข่าวมันไม่มีนอกจากคนสองสาคนเช่นกินวุลมินกี้ซึ่งก็ไม่มีใครเชื่อฟังกินวุลมินกี้ กินุลมิงกี้ในประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้องหมดแต่ไม่มีใครเชื่อพระเจ้าสีปอก็ได้ออกระกาศพระบรมราชองค์การไปแล้วทัพหน้าก็ยกร่องลงไปคอยรับกองทัพอังกฤษแล้วทางกรุงมันดาเลก็แต่รอได้แต่รอฟังข่าวว่าอังกฤษจะพ่ายแพ้ร่มตายมากน้อยเพียงไรและเร็วหรือช้าพเพียงไรเท่านั้นการที่อังกฤษจะมีชัยและยกทัพขึ้นมาได้ถึงกรุงมัดเลนั้น ไม่มีผู้ใดนึกออกเลยถึงนึกออกก็ไม่อยากจะนึกเพราะมันร้อนใจเปล่าๆพระเจ้าสีปอโปรดให้เตรียมการฉลองชัยชนะไว้อย่างมโหลานนะโปรดให้เตรียมการไว้เลยในระหว่างนั้นในพระราชวังก็มีดนตรีและมีละครทุกคืนนักร้องก็ร้องเพลงสรเสริมพระเกยียรติพระเจ้าสีปอ ร้องกันรึเกินและตลกละครก็พูดจาถากถางเยาะเย้ยหรือล้อกินวุ่นมินกี้ให้คนได้ฮากันอย่างคลื่นเครงพวกตลกแต่งตัวเป็นตะแก่หนุ่งันหนุ่มผู้หญิงตามที่พระนางสุพยรัตน์ตรัสบริพาษกินวุ่นมินกี้ไว้แล้วก็มาเล่นตลกทําท่าวัดวาดกลัวกลัวงกๆกเงิ น, เ ง, นเงินต่างๆพวกนี้ได้รับพระราชทานรางวัลมาก ความเป็นไปในพระราชวังนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยอมาต ร, ราชบริพารตลอดจนสาวสรรกํามันในก็ยังคราคร่ําอยู่ในพระราชวังดังที่เคยมีมาแต่ก่อนพระราชประเพณีและพระราชพิธีต่างๆก็ยังคงทําอยู่เป็นปกติไม่ได้บกพร่องพระบรมพระราชาวังที่กรุงศรีอยุธยาขณะพม่าร้อมเมืองอยู่ก็คงเป็นไปเช่นนี้ เพราะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครนึกว่าข้าสึกจะเข้าเมืองได้การยิงปืนใหญ่นี่ในตอนนี้ท่านผู้เขียนท่านทำเป็นกระจกให้เราได้ส่องดูภาพภายในกรุงสยุธยาบ้างกรุ ง, งอายุทยาที่ถูกพมา่าร้อมก็คล้ายๆกันครั้งนั้นเน่ยคล้ายๆพมา่าถูกอังกฤษขึ้นไปตีเนี่ย คือมันดเลไม่คิดเลยว่าอังกฤษจะขึ้นมาได้กรุงศรียุธยาก็ไม่เชื่อเลยว่าพม่าจะเข้าเมืองได้ทางกรุงศรียุธยาไม่เชื่อและไม่นึกว่าพม่าจะเข้ากรุงได้ทางกรุงศรียุธยามี่ทันย้อนเหตุการณ์ให้เราดูกันนะการยิงปืนใหญ่ก็ต้องบอกสาลา คือต้องขออนุญาตเพราะถ้ายิงไปโดยไม่ขออนุญาตพวกละครจะตกใจแต่ที่พระจวังกรุงมัณฑะเลยนั้นถ้าใครสังเกตก็จะเห็นได้ว่าพวกฝรั่งและชาวต่างประเทศที่เคยเข้าวางหนานแน่นนั้นบางตาลงไปจนเกือบจะไม่มีใครมาเลยและบางคนก็ออกจากกรุงมัณฑะเลยไปอยู่ที่อื่นบางคนก็อยู่แต่ในบ้านของตน ไม่คิดที่จะเข้าเฝ้าหรือไปมาหาสู่กับเจ้านายคุนนางพม่าดังที่เคยมาแต่ก่อนละทุกคนนี่หมายถึงพวกฝรัง่งชาวต่างประเทศคำว่าฝรั่งนี่รวมกันทั้งหมดละพวกฝรั่งทุกคนพยายามระมัดระวังตัวมิให้เห็นไปว่าตนสนิทชิดเชื่อกับทางฝ่ายพม่ามากเกินไปนักเมื่อกองทัพอังกฤษมาถึงเมืองมันดเรก็จะได้แก้ตัวได้ง่ายเพราะพวกนี้ รู้ว่ายังไรก็ตามพมา่าไม่มีทางสู้อังกฤษและเมื่อเจ้าพนัก ง, งานมาอ่านโทรเลขจากเจ้ากรมเรือหลวงว่ามีชายชนะต่ออังกฤษถึงเป็นโทรเลขที่ตีสายมาเขาเรียกว่าตีสายตะแลบแก๊บมาโกโกเมื่อเจ้าพนัก ง, งานอ่านถวายพระเจ้าสีปอและพระนางสุพจรัสเมื่อเสด็จออกคุนนานในท้องพระโรงนั้น พวกขุนนางก็พากันเข้ามากราบบังคมทูลแสดงความยินดีและความมั่นใจในพระบรมีและพระบรมเดชานุภาพพระนางสุพยรัตแยมพระสวนและกราบบังคมทูลพระเจ้าสีปอขอพระเจ้าทานบำเหน็จรางวัลในฐานะที่โรรองได้ ก, กราบบังคมทูลสนับสนุนให้สู้กับอังกฤษมาแต่เริ่มแรกแล้วตรัสว่าฝรั่งตาน้าข้าวหรือจะมาสู้ทหารพรมาร่าได้ พลางจำเรืองพระเนตรมายังแตงดามินกี้แตงดามินกี้ก็กราบถวายบังคมแล้วก็กราบบังคมพูดว่าตนเห็นด้วยทุกประการคืนวันนั้นในวังในพระราชวังก็มีละครฉลองชัยชนะเป็นการคึกครื้นยิ่งนักนางเอกละครแต่งเพลงร้องขึ้นใหม่มีเนื้อเพลงกล่าวถึงความเก่งกาจกล้าหาญของกองทัพพม่า เรศสันเสริมพระเกยีรเกรยรติพระเจ้าสีปอและพระนางสุปรยรัตน์พอร้รองเพลงจบลงก็มีรับสั่งให้นางเอกละครคลานเข้าไปรับพระาชทานรางวัลจากพระหัตต์แต่ภายนอกวังข่าวเรื่องอังกฤษยกทัพใกล้กรุงมันดเรในที่สุดก็เป็นข่าวที่ปิดไว้ไม่อยู่ผู้คนต่างพากันซุบซิบเรื่องหรือกันต่อต่อไปทีเดียว บางคนที่เป็นห่วงตัวกลัวภัยสงครามก็คิดอพยพครอบครัวออกจากกรุมันดารบางก็พากันขุดหลุมฝังทรัพย์สมบัติบางก็สะสมสเสบียงเอาไว้กินตามมีตามเกิดข่าวความจริงเหล่านี้ได้รั่วไหลเข้าไปในวังแต่บรรดามหาดเล็กข้าหลวงนั้นเมื่อทราบความแล้วก็ได้แต่นิ่งอยู่มิกล้าปริปาดพูดเพราะเกรงว่าเมื่อความทราบถึงพระกันแล้ว ตนเองจะต้องเป็นเป็นอันตรายในฐานที่พูดจากล่าวความให้เป็นประโยชน์แก่ข้าศึกนี่ก็ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้า บ, บอก เจริญเลขที่เก้เจ็ดถึงเ้าสเก้าสี่แยกวิสุปกระสับหลังโรงเรียนในร้อยเปรออิญเป็นสถานที่จะหมายนักศึกษธรรมะทุกชนิดเพชรธรรมะมากมายแหล่เทพมหาชาติเรื่องกแห่งกรรมโดยพระครูสังคราชบุญเหลือปัญญาพระสมเดิสเนสมบูรณ์ดาวชาดกแหล่เทศมหาชาติเบียสันดอนชาดกแหล่ทาขวัญหน้าโดยสมเดินสมบูรณ์ดาวชาดกแหละทําควันหน้าโดยน้ำพุ่งเพชรอุไทยเพชรธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆ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 สอง7 9ดสองเจดหศนย์ครับครับครับครับ